ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณละการพิเศษในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สิบคือเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่แปดก็พยายามนำมอง พุทธกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชื่อมโยงกับการประสูติสัจรู้และการเสด็จตักขันระเป็นิพานเราก็มังพูดถึงเหตุการณ์หลังพุทธปฏิพานธก่อนพุทธปฏิพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอะไรไปบ้างก็ที่จริงแสดงไว้เยอะนะฮะแต่ว่าประเด็นที่ควรศึกษาควรพิจารณาเนี่ย ก็คือเรื่องของการที่ทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นศัตยาแทนพระองค์ซึ่งในวันที่17นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีการเวียนเทียนกระทําสักการบรูชาต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ประสานงานกันทั่วประเทศครับโดยกระทรวงมาไทย มีคำสั่งออกไปให้จังหวัดต่างๆปฏิบัติแต่ว่าจะมีการติดตามผลกันขนาดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วการออกคำสั่งให้จังหวัดแต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมวิสาขาบูชาประสานสอดคล้องกับส่วนกลางที่ปริมณฑลท้ทองสนามหลวงนั้นก็สั่งมาหลายครั้ง ในสมัยพลเอกอิสระพงศ์นุนพักดีก็สั่งแล้วก็ในสมัยพลเอกโชวลิษย์ยงเจ ย, ยุทธเป็นรัตนศรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งสั่งถึงสองปีนะก็สั่งกับมาเรื่อยๆแต่มาก็ไม่แน่ใจว่าคำสั่งทำไมไม่สั่งเป็นการทาวอนคือให้ปฏิบัติเป็นประเพณีแล้วก็เป็นผู้นำเลย คือไม่ใช่ว่าต้องให้พระวิ่งประสานกันทุกปีทุกปีนะยังแม้ในส่วนกลางเนี่ยเพิ่ง ม, มีคำสั่งที่เรียกว่าเป็นหลักแต่พอสั่งกันมาแล้วก็เกิดะงักอย่างที่ทราบกันเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบสองแล้วก็ แม้แต่ในปีสิบสี่สิบสองเองนี่กว่าหนังสือจะเดินได้เนี่ยกว่าจะประชุมได้เนี่ยเวลาสั้นนิดเดียวแต่จริงเราประสานนี่ประสานก่อนเยอะนะประสานพอขึ้นปีใหม่หรือก่อนปีใหม่เราประสานนะแต่ระบบราชการเนี่ยมาท้อเลยนะว่าเมืองไทยเราถ้าเลิกัรหยุจะบ้างเนี่จะดีวันนี้เยอะเลยมันหยุดมากมายมาหาศาลจริงๆ อยู่จนงงหมดเลยจับโทรศัพท์อ้าวเจอวันอยู่ที่แล้วประสานกันยากมากแนวตัวเนี้ยทำให้นึกถึงบรรพชนแนอนดีตรรเราเห็นว่าเทศกาลสำคัญสำคัญเหล่านี้มันไม่ต้องบอกเช่นวันมาฆบูชาเพนเดือนสามเขาพูดเพนเดือนสามนะจังหวัดนครศรีธรรมดา้าน มันมีที่กมารตไม่มีที่มมกมาร์ตเขไม่สนใจชาวบ้านนะ่ะแบบชาวบ้านนะ่ะเป็นเดือนสามเาก็มากันทุกจังหวัดมาสร้างเพิงพักกันเลยปรุงอาหารอยู่กินกันเป็นครอบครัวเลยและอยู่กันนานหลายวันมาปฏิบัติบำรุงเลยพระโรมัสาริกธาตุพวกพระพุทธบาทสระ บ, บุรีพวกอะไรหลวงพ่อวัไดไร่ขิงเนี่ย มีหลายวัดนะฮะที่ไม่ไม่ต้องประกาศเชิญชวนคือทำยังไงเราจะขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดตรงนี้ได้เพระเราลองนึกภาพสังคมในยุคต่อไปนะว่าคนมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะไม่ถึงยี่สิบปีหรอกประชาคมประชากรในชาติไทยเนะี่ยมันก็จะถึงเก้าสิบล้านซึ่งหมายความมาตรงนั้นแหละประชากรโลกมันก็คงจะเ90ก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าพันล้าน ปัญหาสารพัดที่เรากำลังไปเชิดอยู่มันจะหนักกว่าเดิมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศึกษาเราเรียนคือรวมปลุ่มปัญหาสังคมนะปัญหาการเมืองความปัญหาความมั่นคงปัญหาดักการมตามาเป็นแถวแล้วก็เยอะมากคนมากเรานึกถึงภาพคนมากอ่ะปัญหามันจะมากตามจํานวนคนไม่ต้องดูอะไรมากอ่ะจำนวาบ้านคนเนี่ย วันนี้คนดีญาติพี่น้องแห่กันมาสักสิบคนนั่นเองปวนหมดทั้งบ้านนะหรือว่าวัดวัดใหญ่อย่างขนาดวัดัววอนเนี่ยนะสมมติว่ามีนาคมาบวชสักร้อยห้าสิบเนี่ยก็เทือนหมดเลยระบบทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าทั้งอุโบสถทั้งกระถานที่เรียนก็เทือนหมดเลยโบสถ์ก็แน่นแล้วก็ลงโบสถ์ ได้ไม่กี่รูปไปในห้องโบสถ์วับรบอเนี่ยพระลงได้ไม่กี่รูปครับทีมแคบวันธรรมวดาผมพระใหม่มากก็ต้องนั่งข้างนอกบอทีไปนั่งสไกลายนวลศาลารา150้อยห้าสิบปีแล้วก็ฟังแต่เสียงน้ำท่าต่างๆมันก็กระเทือนหมดที่อยู่เทีอใสกระเทือนหมด เพาะมันการเพิ่มของประชา ก, กรโลกมันเพิ่มมากกว่านั้นหลายเท่าเพื่อทำยังไงว่าศีลธรรมต้องกลับมาแล้วต้องกลับมาโดยจิซสำนึกของคนเองมันไม่ต้องชักชวนเชิญชวนซ้ำแล้วซ้าอีกจนเรียกว่าวันโกนก็ละวันพระก็เว้นเนี่ยปุยญาติญายเราทาไมท่านทาได้ล่ะท่านทาสืบต่อกันมาได้ แล้วถ้าพูดถึงการศึกษาแล้เรียนเนี่ยท่านก็ศึกษาแล้เรียนน้อยกว่าเราแต่ความรู้ของท่า น, นีลึกซึ้งกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของท่านสูงส่งกว่าแน่นอนมันอาจจะมีส่วนหนึ่งคือสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันการรับสื่อต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแรงกระตุ้นกระแทกกระทันใจเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทําให้ท่านทนทานต่ออารมณ์ซึ่ง บังทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรสลับซับซ้อนเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางคนดีกับคนดีมันจะหนักไปในทางชวนชวนชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติความดีโดยซ้ำไปเรื่องถึงภาพคนรุ่นปูญาตายายที่มโนปุญเนี่ยท่านก็เข้าวัดฟังธรรมจำศีลแล้วก็เมื่อสมาทานศีลแล้วท่านก็อยู่ที่วัด ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในวัดบ้างฟังพระเทศบ้างอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังกันบ้างแล้วก็อธิบายจิตกรรมฝาผนังต่างๆบ้างคนก็ตามกันไปเป็นชุดนะฮะเป็นประมาณสามชุดสามชั่วคนหรือหมายความว่าแม่ลูกหลานเนี่ยไปด้วยกัน ก็ทําให้เกิดระบบาศาสนาถ่ายยาที่สืบต่อรักษ า, าศาสนาดูแลาศาสนาสืบต่อกันมาพิธีกรรมส่วนใหญ่ในวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเนะี่ยจะจะมีมีเวียนเทียนกันทั่วประเทศในวันนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าแม้ในพิธิกรรมของการเวียนเทียนยังมีคนมาแอบ กรีดกระเป๋าคนจก ช, ชิงสิ่งของต่างๆของคนแล้วก็บางทีก็ประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเรียกว่าประพฤติอนาจารไปในวัดต่างๆมันก็ปนแทรกอยู่ซึ่งเราจะโทษเด็กเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทีเดียวนะฮะมันอยู่ที่โครงสร้างระบบการศึกษาอบรมนะที่กล่าวไว้ในวัน่อกเพราะนั้นทำยังไงว่า มองการเกิดดีการอยู่ดีการจากไปดีของพระพุทธเจ้านะก็กล่าวโดยสรุปนะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีก็เรียกว่าพุทธจริยาคือการปฏิบัติพระองค์ที่เป็นประโยชน์หลักเนี่ยมันมีอยู่สี่ประการในสามประการหลังจากเสร็จประโยชน์ส่วนพระองค์แล้วนะฮะคือประโยชน์ที่เรากล่าวโดยสรุปมันก็มีสองประโยชน์เท่านั้นเอง อัตตาประโยชน์และปริตตประโยชน์อัตตาประโยชน์คือประโยชน์เพื่อตนเองปริตตประโยชน์คือประโยชน์ชื่อกลุ่นต่อบุคคลอื่นพระเจ้าทรงกระทําได้สมบูรณ์ส่วนของพระองค์นั้นก็สมบูรณ์มานานแล้วตั้งแต่วันจัสรุรนะต่อมาก็คือการทําประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือ ในฐานะที่เป็นราชโอรสของราชวงศ์สกยะโกดียะพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญญาตถาจริยาคือทรงสงเคราะห์พระญาติโดยประการต่างๆแล้วก็หนักไปในด้านธรรมสังฆะคือการสงเคราะห์โดยธรรมบางครั้งบางคราวระงับกรณีพิพาทแรงๆเชนว่าพระญาติเตรียมสงครามจะรบกันเนี่ยคือถ้าคนอื่นเนี่ยพรเจ้าจะไม่ข้าไปแทรกแซงขนาดนั้นหรอก ว่าพอดีเป็นพระญาติมันก็เข้าแทรกแสงโดยตรงแต่ไม่ถึงกับพูดโดยตรงคือจะรับสั่งอะไรให้คิดเอาแล้วสงเรา์พระญาติโดยประการต่างๆจนเรียกว่าพระญาติเกือบจะทั้งหมดอย่างน้อยก็รักษาสีหน้าได้บรรลุมรผลเป็นพระอริยบุคคลนี่เยอะพระอราหารนันต์ในครอบครัวพระพุทธเจ้านี่หมดทั้งครอบครัวเลย พระพุทธเจ้าพระเจ้าสุดโททัะนะพปานังยะโธราพิมพาปานางมหาประชาบดีปันนันทะพระรูปปนันทาพราขุนนี้หมดเลยเป็นไวแต่พปานังสิริมห า, มายาพระองค์เดียวที่บรรลุเพียงโสดาเพราะว่าท่านที่วงศ์คตรไว้บังเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ชั้นดุสิตก็ถือว่าเป็นครอบครัวเป็นตระกูลพระอหรหันต์จํานวนมาก แล้วในฐานะที่พระองค์เป็นเป็นอภิชาติตบุตรของอินเดียไม่ใช่เป็นอภิชาตบุตรของโลกนะอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ากระแสเรียกร้องที่ทําให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากคูนวันสําคัญแห่งโลกเนี่ยที่จริงมันมีกระแสสืบต่อกันมานานมันย้อนไปเป็นร้อยร้อยปีนะฮะมันไม่ใช่วันตรงวันหรอกแต่ว่ามีการสะสมมาเรื่อย ก็ลองสังเกตว่าประเทศต่างๆมันจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพระพุทธเจ้ามันมีจะตานานท้องจีนเนี่ยเป็นการเล่าถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เหมืองของเขาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรนั้นๆพม่านี่ก็เยอะไทยเราก็เยอะนะฮะลังกายิ่งเยอะใหญ่เลยคือจะมีพระพุทธเจ้าอยู่จนขนาดว่าแอฟริกาพวกนิกโครเองเนี่ยยังมีความรู้สึกพุทธเจ้าคือพวกเขา เราจะแย่งที่จะเชื่อมโยงตัวเองกับพระพุทธเจ้าอยู่เพราะนั้นพอพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นนภิชาติบุตรของอินเดียเนี่ยชาวโลกเขาก็คาดเนี่ยตัอินเดียเขาชักจะโมเมมากไปหน่อยพระเจ้าเป็นอารยันนะแล้วก็ประสูตรในดินแดนที่เรียกว่าประเทศเนปาลในปัจจุบันมันจะประสูตรที่ประเทศอินเดียในปัจจุบัน ประเทศแผงทวีปเอเชียก็กลายเป็นประเทศแผงโลกวัอภิชาติตบุตรของอินเดียก็กลายเป็นอภิชาติตบุตรของเอเชียภิชาติตบุตรของโลกเพราะในแง่ของความเป็นจริงเราก็โลกไม่เคยเกิดไม่เคยมีลูกขนาดนี้พระพุทธเจ้าเราเป็นบุตรมนุษย์นะฮะบุตรมนุษย์ธรรมดา อ, อยู่อย่างมนุษย์บาเพ็ญเพียรอย่างมนุษย์แล้วก็บรรลุผลสูงสุดอย่างมนุษย์ ไม่ได้มีก็เรียกมาเป็นศาสนาของมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยมนุษย์เราไม่มีอำนาจอิทธิพลมาจากคนอื่นนะฮะแต่ว่าบารมีนั้นแน่นอนบารมีก็เป็นกระบวนการของกรรมทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอย่างนี้อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรของโลก ก็ทรงบำเพ็ญจริยาที่เราเรียกว่าพุทธทัตจริยาคือทำฐานะไม่ใช่โลกัตจริยานะในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกได้เสด็จไปในคามลิคมชนบทราชธานีต่างๆตลอดระยะเวลายามนานสี่สิบห้าปีเดินด้วยประบาทนะนะถามว่าพระพุทธเจ้าเคยใช้แบบอิทิริษไหมที่จริงก็มีบ่อยนะ เพราะว่าถ้าใช้ลำพังเดินด้วยพระบาทแล้วบางทีมันไม่ถันการนะฮะอย่างเช่นเสด็จไปโปรดโจนองกริมาในเงนี้ยระยะทางตั้งร้อยห้าสิบโยชน์จะเดินยังไงมันก็ต้องใช้แบบอิทิิตไปแต่ว่าเป็นการกระทาที่คนรู้ไ่อยจะไม่เห็นมันทำนอง้กลๆกับอันตรธานไปปรากฏอยู่ในที่หนึ่งสิรัตนณะาเราเนี้ยเราจะเจอบ่อย พระพุทธเจ้าพระโมคัลลานะอยู่ทางโน้นอยู่ทางรุงราตชึกึกเกิดปัญหาขึ้นที่บุพพารามพระพุทธเจ้ากําหนดพระทัยให้โมคัลลานะมาปรากฏปรากฏองดนตรีได้นั่นคือพระอาหารหันนะนะไม่ใช่พูดเรื่องไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นนะคือเรื่องของพระอาหารหัน์เราไม่เกี่ยวเราไม่มีความสามารถหนึ่งในล้านของท่านนะฮะก็ก็ไม่ถึงหนึ่งในล้านของท่าน แต่นั้นก็คืองานที่ทําเพื่อชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิก ค, คนหนึ่งของโลกแล้วก็ตรงทําในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาผู้เอนดูที่จะพึงกระทําต่อสาวกทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงกระทําจึง ก, งก็เป็นผลทําให้ประดิษฐานเป็นรูปองค์กรของพุทธบริษัทจะเรียกว่าภิกษุภิกษุณีบาสุปชิกา แล้วก็สืบสารนยุบพระพุทธศาสนาต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าที่จริงเรามองแล้วเราก็เป็นรู้สึกน่าเสียดายมากย่างนั่ง น, นั่งนั่งนึกเทียบเคียงกันนะนึกเทียบเคียงยิ่งดูตอนนี้ยิ่งชัดเจนนะเราจะเห็นว่าศาสนิกในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคริสเท่าไหร่หรอกยิ่งพุทนี่ยยิ่งจะรู้ยากมาก อิสลามเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขากระหานฉานฉัยมากเขาประกาศเด็ดขาดเลยแม้แต่ร้านอาหารยังบอกอาหารร้านอาหารอิสลามเลยแต่เมื้อแต่งตัวก็บ่งบอกความเป็นอิสลามาศาสนาซิกเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าฉันเป็นซิกเลยก็ลงสิงดังนั้นชื่อของเขาไม่รู้จะชื่ออะไรแร้วเสร็จแล้วจะจบลงด้วยคำว่าสิง ก, งกาา็คือนบถือศาสนาซิกศาสนาเชนคือาศาสนาของนิครอนาตบุตรเนี่ย จะจบลงด้วยคําว่าเชนชื่อเขายาวนะแล้วก็จบลงด้วยคําว่าเชนคือบอกถึงสถานะทางาศาสนาปุอิสราเอลเนี่ยชัดเจนเลยฉันนับถือาศาสนายูดาหเป็นาศาสดิกในาศาสนายูดาหแต่ว่าชาวพุทเนี่ยไม่ค่อยแสดงตัวเองแล้วก็ชาวคริสต์เองเนะฮะก็ไม่ค่อยแสดงตัวเองเว้นว่าแต่บาดหลวงจะ ช, ชัดเจนนะ คือความเป็นนักบวชเนี่ยก็ชัดเจนทุกๆทุกศาสนาแหละแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะไม่ชอบแสดงความเป็นาศาสนิกในาศาสนานั้นๆเพราะทําให้บทบาทตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับศาสนาแต่ว่าคริสเนี่ยเขาดีที่เขาทํางานในนามพระเจ้าของเราทิ่เสียอมากๆนี่คือทํางานในนามข้าพระเจ้า คือใช้ให้ความต้องการอัตตาตัวตนทั้งๆ ท, ที่ศาสนาพุทธเนี่ยปฏิเสธอัตตาตัวตนแต่ก็จริงพุทธศาสนกจะมีตัวตนอยู่สูงมากยึดถือตัวตนอยู่สูงมากทะเลาะกันเรื่องตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าทําไมเราไม่มีความคิดในรูปรูปที่เรียกว่าเป็นสเพสตาจริงๆอย่างที่เราสวด แผ่เมตตากันทำไมเราไม่นึกถึงปานาติปตาจริงๆทำไมจึงเกิดการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาแบบหมาอยู่ในรังย่านะนยิตนิทานนิทา น, า น, านอิศุปะคือหมายความว่ามือไม่พายก็เท้ารานนะ้ำ ตัวเองไม่ทำก็ขัดขวางไม่คนอื่นทำมีการทิษยามีการแข่งดีมีการอวดดีกันโดยเฉพาะก็คือหลงหลงสถานภาพของตัวเองเซ้นข้าราชการบางทีนึกว่ากระทรวงมีเป็นของตัวเองโดยลืมลว่าตัวเองนี่คือลูกจ้างน เป็นลูกจ้างของแผ่นดินเป็นค่าของราชการเป็นค่าของพระราชาได้ทำไปนะค่าทำการของพระราชาเขาจ้างให้มาทำงานแล้วพอไม่รู้ตัวคือหลงตัวเองเมื่อก็เหลืองชอบใช้อำนาจนิยมชอบแสดงอำนาจชั่วอวดดื้อถือดีชอบเบ่งพอราชาดรพี่นอพี่เทาแล้วยิ่งขู่ใหญ่เลย ไอ้นึกของความเป็นพุทธเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาสานึกของข้าราชการโดยเนื้อหาก็ไม่ได้ออกมาทีน ง, งานของสัปดาห์ส่งเสริมบูรณามันเกี่ยวกับหน่วยราชการเนี่ยเยอะเพราะว่าเป็นผู้ประสานเนีย่ยที่บอกว่าค่ะเป็นผู้ประสานแล้วก็ขยายผลไปจากหน่วยของราชการคือเราให้ความสำคัญแก่ราชการนะ แต่ว่ากลายเป็นพอเราให้ความสำคัญเขาไม่ค่อยร่วมมือกันอย่างต่อนเนื่องเวลาลงเนี่ยคือคือจากการสังเกตตั้งแต่เริ่มทำมานะคนระดับรัฐมนตรีที่มานั่งเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุมนี่มีพลเอกโชลิดคนเดียวคนอื่นไม่เคยลงมาประชุมแล้วก็ นำเวียนเทียนวงเวียนใหญ่นะวงเวียนใหญ่รอบสนามหลวงรอบใหญ่เลยพระเอกชลิศไปทั้งวันเชิญสเสด็จทั้งวันปกติทั้งวันปิดงานนำเวียนเทียนเองลุยเองเลยเดินนำข้างหน้าเลยคือมันจะต่างกันเดียหมายความว่าถ้าคิดว่าเออวันนี้ท่านเล่นละครก็แสดงบทตีบทแดด แต่ท่านทำเป็นปกตินิสัยนะคือตั้งแต่เป็นปปทบก็ทําเขาอย่างนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าดีเราก็ต้องยกจ้องเพราะว่าการนําที่มีประสิทธิภาพนี่อย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมถ้าผูน้นําไม่นําเนี่ยมันจะไม่มีทิศทางดังนั้นทํายังไงว่าทุกหน่วยย่อยของสังคมแต่ละหน่วยเนี่ย จะเป็นผู้นำคือรับผิดชอบในสถานะที่ตนเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ารับผิดชอบในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะทีเ่เป็นลูกหลานของราชวงศ์สกยหกรฤยะในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์คือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมโลกและเป็นแบบฉบับที่จะถือตามปฏิบัติตามเราก็อย่างนั้นแหละเราก็เหมือน ก, นกันกับพระองค์นั่นแหละคือเป็นลูกหลานของสกุล นะมีณนะสถานะหน้าที่ตำแหน่งแล้วก็เป็นประชากรคนหนึ่งของโลกซึ่งถ้าหากว่าสามารถโดยเสด็จรอยุคนบาทด้วยการอาศัยโครงสร้างของพุทธเจริยาทั้งสามประการเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วความเข้มข้นของพุทธศาสนิกระชนก็จะปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ กลายเป็นพุทธศาสนิกชนคุณภาพอย่างที่เรียกร้องต้องการกันท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รบรพระพุทธญาณในการพิเศษในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี